นก้อนหินแห่งพลูฮิเน็กกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในประเทศฝรั่งเศสที่ยิ่งใหญ่มีเมืองเล็กเมืองหนึ่งชื่อพลูฮิเน็กในส่วนหนึ่งของพลูฮิเน็กมีหินขนาดใหญ่มากมายสองข้างฝั่งก้อนหินเหล่านั้นตั้งสูงชันและหนักมากว่ากันว่ามีเพียงนางฟ้าจากทั่วโลกเท่านั้นที่สามารถสร้างมันขึ้นมาได้แบบนี้ ห่างไปไม่ไกลจากถนนก้อนหินที่ยิ่งใหญ่บนฝั่งแม่น้ำอินเทลมีชายคนหนึ่งชื่อมาซินอาศัยอยู่กับน้องสาวเขาโรเซนิกโรเซนิกเป็นหญิงสาวงดงามและถูกปรนิบัติราวกับว่าเป็นเจ้าหญิงจากพี่ชายของเธอมาซินคอยปกป้องเธออย่างดีเขาจะปฏิเสธทุกคนที่เข้ามาขอน้องสาวของเขาแต่งงานไม่ละขอบคุณ วันหนึ่งน้องสาว ข, ของฉันจะต้องได้แต่งงานกับเจ้าชายไม่ใช่พ่อข้าขายแอปเปิลโง่โงแต่มาซินไม่รู้เลยว่าที่จริงแล้วโรเซนิกและเพื่อนวัยเด็กของเธอเบอร์เนสตกลุมรักกันฉันหวังว่าฉันจะได้เป็นเจ้าชายเพื่อจะได้ขอเธอแต่งงานจากพี่ชายของเธอแต่มันคงเป็นแค่ฝันเพราะฉันเป็นแค่คนตัดไม้จนๆแล้วทาไมนายไม่บอกเรื่องพวกเรากับพี่ชายฉันในงานเลี้ยงวันพรุ่งนี้แทนละ่ะ แต่ว่าไม่มีแต่ถ้านายไม่บอกฉันจะบอกเขาเองฉันไม่สนเงินทองอะไรทั้งนั้นทั้งหมดที่ฉันสนใจก็คือนายเท่านั้นแต่เออแต่ไว้เจอกันพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะบายวันต่อมามีงานเลี้ยงฉลองยิ่งใหญ่ถูกจัดขึ้นที่บ้านของมาร์ซินและโรเซนิกเพื่อฉลองด้วยดูเก็บเกี่ยวบ้านของพวกเขามีแขกมากมายและเบอร์เนสก็เข้าร่วมด้วยเช่นกัน ในขณะที่โรเซนิกกาลังคุยกับแขกคนอื่นเบอร์เนสก็กําลังหาจังหวะที่จะคุยกับพี่ชายเธอเออคือเออแต่เขาเดินเข้าไปหามาซินอย่างลังเลเออเอามาซินผมมีเรื่องจะพูดด้วยเนอะมีขอทานอยู่ในบ้านฉันด้วยเหรอ น, นี่เออผมผมไม่ใช่ขอทานนี่ผมเองไงเบอร์เนสฉันไม่ได้หมายถึงนาย มาสินเดินตรงไปที่ประตูที่ซึ่งมีชายคนนึงแต่งตัวด้วยชุดขัดขาดเดินเข้ามาทุกคนในห้องต่างมองไปที่เขานายเป็นใครฉันคือดาริโอนะฉันเป็นพ่อมดอ่ะและฉันได้ออกเดินทางทั่วโลกมาหลายปีตอนนี้ฉันทั้งเหนื่อยแล้วก็หิวด้วยจนมาเห็นบ้านของคุณเข้าได้โปรดมอบอาหารและที่พักให้ฉันสักหน่อยได้ไหมคืนนี้ มันก็จะเป็นพระคุณกับ่ันอย่างมากเลยทีเดียวมาซินคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะพูดขึ้นก็ได้ฉันจะให้อาหารและที่พักกับนายคืนนี้แต่นายต้องใช้พลังเวทของนายหาเจ้าชายที่เหมาะสมเพื่อมาแต่งงานกับน้องสาวของฉันได้ไหมหล่ะฉันจะทำให้ดีที่สุดเลยไม่นานอาหารมากมายก็ถูกจัดบนโต๊ะ แขกทั้งหมดกินมันอย่างสุขสํารา์เบอร์เนสไม่มีโอกาสจะได้พูดกับมาซินเลยนั่นทําให้โรเซนิคผิดหวังเป็นอย่างมากคืน <c oughs> นั้นเมื่อแขกทั้งหมดจากไป <c oughs> ดาริโอมายังคอกม้าเพื่อพักผ่อนภายในโคกม้ามีลาและแกะอยู่อย่างละตัว <c oughs> เอาล่ะฝันดีนะเพื่อนฝันดีดาริโอนอนลงและหลับตา ข้างนอกพระจันทร์เต็มดวงส่องสว่างสวยและมีดาวตกพุ่งลงมาจากฟากฟ้าตอนนั้นเองเจ้าลาใส่หัวและยิ้มออกมาอย่างดีใจในที่สุดก็ถึงวารันนี้ของปีนแล้วสินะที่รักพวกเราพูดได้แล้วมาเร็วบอกฉันหน่อยสิว่ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นบ้างแก <c oughs> ฉันไม่อยากจะพูดต่อนหน้าพ่อมดเลยอะอะไรนะ เขาเป็นพ่อมดอย่างนั้นหรอืแอแกใช่แล้วเขาเป็นพ่อมดฉันได้ยินตอนเขาเข้ามาแนะนําตัวกับมาซินแต่ฉันจะบอกอะไรให้นะแอเขาไม่ใช่พ่อมดที่ดีหรอกแล้วเธอรู้ได้อย่างไงกันนะแกพ่อมดนั่นนะ่ะฉลาดมากเลยแต่คงไม่ฉลาดมากพอที่จะรู้ว่าพรุ่งนี้เขาจะโชคดีโดยที่ไม่รู้ตัวนะสิโอโชคดีโด้ไม่รู้ตัวอย่างนั้นหรอืแอแก เ, เจ้าไม่รู้อะไรบ้างเลยเหรอ ในทุกทุกพันปีก้อนหินแห่งภูฮินเน็กจะลงไปดื่มน้ำในแม่น้ำและในขณะที่พวกเขาออกไปหาสมบัติที่ถูกซ่อนอยู่ข้างใต้พวกเขาจะถูกเปิดออกอ้าฉันจำได้แล้วแต่หินจะกลับมาที่ของพวกเขาอย่างรวดเร็วเพื่อจะลงโทษคนที่คิดจะคำมวยยกเว้นว่าเธอจะมีแอปเปิลสีม่วงอยู่ในมือแกใช่แล้วล่ะแต่ว่านั่นนะก็ยังไม่พอหลังนะถึงแม้นายจะปลอดภัย สมบัติจะต้องถูกหยิบขึ้นมาโดยคนที่ไม่เคยทำบาปเลยไม่เช่นนั้นจะกลายเป็นฝุ่นผงลากำลังจะพูดบางอย่างแต่ทันใดนั้น mm hmm. เขาก็พบว่าตัวเองพูดไม่ได้แล้ว mm hmm. ลาหันหน้าไปทางหน้าต่างและพบว่า mm hmm. ดาวตกพุ่งลงจากท้องฟ้าไปยังทิศ ท, ทางอื่น mm hmm. นั่นหมายถึง mm hmm. เวลาที่พวกเขาสามารถพูดได้ mm hmm. ได้หมดลงแล้ว mm hmm. เขาหลับตาลง และแกก็เช่นกันแต่ดาริโอที่ชั่วร้ายได้ยินทุกอย่างอืมเจ้าพวกโง่ตอนนี้ฉันจะกลายเป็นชายที่ร่ารวยที่สุดในฝรั่งเศสแล้วและฉันจะแต่งงานกับโรเซ น, เนิกด้วยๆๆดังนั้นเช้าวันรุ่งขึ้นดาริโอจึงออกเดินทางตามหาแอปเปิ้ลสีม่วงเขาไปที่ตลาดในป่าตามทุ่งหญ้า แต่ไม่มีที่ไหนเลยที่จะพบแอปเปิ้ลสีม่วงในที่สุดเมื่อเขาเกือบยอมแพ้เขาได้นั่งพักใต้ต้นไม้ทันใดนั้นมีบางอย่างตกลงมาใส่หัวเขาโอ้โอ้โอเขามองดูมันและพบว่ามันคือแอปเปิ้ลและไม่ใช่แอปเปิ้ลธรรมดามันคือแอปเปิ้ลสีม่วงโอ้เทวดาทรงประทานพรให้ข้าตอนนี้ละ เขาจะได้เป็นชายร่ำรวที่สุดในฝรั่งเศสด้วยแอปเปิลในมือดาริโอได้มอถึงยังถนนที่ก้อนหินสูงตั้งอยู่เมื่อเขาเดินผ่านแนวหินที่ทอดยาวเขามองเห็นเบอร์เนสกำลังใช้สิวทําบางอย่างกับหินก้อนใหญ่ที่สุดนี่เจ้ามาทำอะไรที่นี่นะโอ้ดาริโอสวัสดีเออวันนี้ฉันไม่มีงานต้องทำน่ะ ฉันก็เลยมาแกะสลกักลูกหัวใจบนก้อนหินนี่ <c oughs> นายคงคิดว่ามันจะช่วยทำให้สมหวังกับโรเซนิกสินนะเบอเนสหยุดทํางานครู่หนึ่งและหันมามองที่เขาเอเงั้นนายก็รู้เรื่องแล้วสินะโชคไม่ดีเลยที่มาสินต้องการน้องเขยที่มีปอนมากกว่าฉันที่มีเพียงเพนนีแล้วสมมติว่า ถ้าฉันมอบบอนให้นายเกินกว่าที่มาซินเคยฝันถึงเล่านายอย่างนั้นเหรอใช่ฉันเองแล้วฉันต้องทำยังไงถึงจะได้เงินมากมายแบบนั้นแต่เขาบอกก่อนนะถ้าหากเป็นสิ่งไม่ถูกต้องฉันจะไม่ทําไม่ทําแน่นอนฉันเป็นคนมีคุณธรรมนะนี่ทำให้ดาริโอยิ้มออกเขาได้ยินจากคนในพรูฮินเน็กว่าเบอร์เนสเป็นคนยังไง เขาอยู่ยังมีศีลธรรมและคุณธรรมเพียงใดตอนนี้เขามั่นใจแล้วว่าจะใช้ชายคนนี้ทำงานให้เขาสิ่งที่ฉันต้องการจากนายนะ่ยก็แค่ต่อใช้ความกล้านิดหน่อยเท่านั้นถ้าแค่นั้นบอกฉันมาว่าชันต้องทำอะไรฉันจะทำมันดาริโอเดินเข้าไปหาเบอร์เนสและกระซิบบอกแผนกับเขาในคืนนั้นห่างไปไม่กี่ชั่วโมงจากบทใหญ่ของโปูฮิเนก เบรเนสเข้ามาในป่าเขาพบดาริโอพร้อมกับถุงในมือทั้งสองข้างและอีกใบาวางบนผืนนายมาตรงเวลาดีนะบอกฉันสิว่านายจะทำยังไงกับความร่ำรวยทั้งหมดนี้อันดับแรกฉันจะไปขอโรเซนิกแต่งงานและส่วนที่เหลือฉันจะแบ่งปันมันให้กับคนยากไร้และขัดสนในพรูฮีเน็กยังไงล่ะ งั้นก็มาเริ่มงานกันเลยเมื่อถึงเวลาเที่ยงคืนเสียงดังได้เกิดขึ้นภายในป่าทิ้เงเยียบสงบและดูเหมือนพื้นดินจะสะเทือนใต้เท้าของผู้สังเกตการ์ทั้งสองในตอนนั้นเองแสงจกดวงจันทร์ทำให้พวกเขามองเห็นก้อนหินขนาดใหญ่ที่อยู่ใกล้ๆ ก, กับพวกเขากำลังเคลื่อนที่ลงไปใกล้กับแม่น้าและดูเหมือนว่าก้อนหินยักษ์ทั้งหมดได้ออกไปหมดแล้ว เมื่อพบว่าสบโอกาสแล้วชายทั้งสองก็รีบไปที่หลุมที่สองแสงสว่างภายใต้ดวงจันทร์ดาริโอนั่งจับกระเป๋าและเปิดเอาไว้ในขณะที่เบอร์เนสคว้าสมบัติในนั้นใส่ลงไปในกระเป๋าตอนนี้ทั้งสองถุงเต็มไปได้วยสมบัติขณะที่กำลังจะถึงถุงที่สามจู่ๆดาริโอก็ได้ยินเสียงบ่นพึมพำเข้ามาในหูเขา เราก้อนหินดื่มน้ำเสร็จแล้วและพวกมันก็รีบกลับมายัางที่ของพวกมันเดี๋ยวเข้าเส้พวกมันมาแล้วแขนฉันติดอ่ะช่วยฉันด้วยโอสายไปแล้วโชคดีนะเพื่อนชีวิตของฉันมันมีค่าขอบคุณสําหรับความร่ำรวยนะลาก่อนละ่ <c oughs> ละลาก่อนอ ะ, อะไรน ะ, ะไม่นะดาริโอวิ่งหนีไปพร้อมกระเป๋าสองใบ ท่นใดนั้นก็าไสะดุดก้อนหินลม้มลงกระเป๋าลอยขึ้นไปในอากาศแล้วตกลงข้างหลังตู้ไม้ทันใดนั้นหินก้อนสูงที่สุดได้วิ่งผ่านดาริโอและหยุดอยู่ตอนหน้าเบอร์เนสเพื่อขวางไว้ไม่ให้ใครผ่านไปได้มันเป็นหินก้อนเดียวกับที่เบอร์เนสแกะสลักรูปหัวใจเอาไว้ขณะเดียวกับหินก้อนอื่นก็ล้อมตัวดาริโอไว้นี่นี่พวกนายจะทําอะไรอ่ะทำอะไรฉันไม่ได้หรอก มีอปไเป็นสีม่วงนะนั่นมาชากอปไลนั่นมันลูกหินเจ้าโง่แล้วหินทั้งหมดก็ล้อมเขาเอาไว้ไม่ดาริโอถูกเปลี่ยนเป็นฝุ่นผงใน ท, ทันทีในขณะเดียวกันหินก้อนสูงก็พูดกับเบอร์เนสนายเป็นคนดีนายสมควรมีชีวิตอยู่ต่อหนีไปซะก่อนที่พี่น้องฉันจะกลับมา แต่ว่าแขนฉันยังติดอยู่เลยอ่ะไม่อีกแล้วและทันใดนั้นแขนของเบอร์เนสก็ไม่ติดแล้วเขารีบขึ้นมาในทันทีขอบคุณมากนะไม่มีอะไรต้องขอบคุณนายหมอบหัวใจให้กับฉันฉันแค่ตอบแทนเท่านั้นหนีไปซะโอ้แล้วอย่าลืมถุงสมบัติของนายแต่ว่า มันไม่ใช่ของฉันเนี่ยเบอร์เนสก้มตัวต่ำลงฉันขโมยมันจากตรงนี้นายช่างสื่อสดฉันจะบอกให้ตอนนี้กระเป๋าเป็นของนายแล้วรีบหนีไปหนีไปเบอร์เนสยิ้มออกและวิ่งหนีไปหินทั้งหมดกลับมาประจําที่พวกเขาและกลับมาเป็นเช่นเคยเบอร์เนสหยิบกระเป๋าที่อยู่หลังพุ่มไม้และกลับบ้านวันต่อมา เบเนสไปพบมาซินและบอกทุกอย่างที่เกิดขึ้นโรเซนิกและมาซินตกใจอย่างมากพ่อมดชั่วร้ายต้องการจะแต่งงานกับน้องสาวข้าอย่างนั้นหรอนั่นนะ่ะคงเป็นเพียงอดีตไปแล้วล่ะคะ่ะเขาสมควรได้รับในสิ่งที่เขาทําใช่แล้วและตอนนี้ชัดเข้าใจแล้วว่าความร่ํารวยไม่สามารถซื้อความสุขให้น้องสาวฉันได้พี่ขอโทษนะน้องรักไม่เป็นไรค่ะพี่ พี่ทำในสิ่งที่คนเป็นพี่ควรทำก็เท่านั้นเองและนายเบอร์เนสฉันไม่รู้มา ก, ก่อนเลยว่านายและน้องสาวฉันรักกันและที่จริงแล้วฉันดีใจนะที่ฉันไม่รู้เพราะไม่งั้นฉันคงไม่อนุญาตแนะ่แต่ตอนนี้ตอนนี้ฉันมองเห็นอดีตที่ผิดพลาดของตัวเองนายน่ะเป็นคนดีนะเบอร์เนสและที่สำคัญกว่านั้นนายมีความซื่อสัตย์ดังนั้นโรเซนิกและเบอร์เนสได้แต่งงานกันในงานพิธีที่ยิ่งใหญ่ มาซินมีความสุขมากในที่สุดเขาก็มีคนที่เหมาะสมกับน้องสาวของเขาแต่ให้เดาว่าใครมีความสุขที่สุดโอ้ที่รักเวลาในการพูดตอนกลังวันด้วยห่อมาสนุกกันดีกว่านะเแบบีเบ บ, บ, บ, บ, บ, บ, บ, แบบีเบ